ส่วนนั้นกําลังทําถ้าไม่มีเพียงท่านแก้ทางนี้ไปนอกวังเลยมันเขาจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเป็นขนาดไหนก็ตามไม่รอดวังนี่เลยเพราะนี่มันขวางอยู่แล้วมันติดกันอึอยู่แล้วทางทางไปนั้นก็มีนอกจากตมเท่านั้นฮะแล้วใครอยากตมคนในประเทศใครจะอยากตมอันนี้ใครอยากตมความล้มตมไม่ใช่ของอื่นเป็นความคิดหายวายตัวหมดความหมายทั้งภาพทั้งสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความความหมดความหมายนั้นค่าขึ้นมา อันนี้ประเทศไทยเรากําลังมีคุณค่ามีหลายค่าคนทุกคนมีหัวใจเป็นคนเป็นเอกจิตเอกภาพคนทะยักษาท่าบ้านหวังไว้ด้วยความพ้องเพรียงสามัคคีมีความเคารพความดีต่อทาสในความประพฤติปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรให้ตรงตามคนระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเรา แต่คนแม้เราพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทําบริการให้กับประเทศชาติบ้านเราโดยมีหวังสิ่งตอบแทนได้ทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ดีทางหน้าปกครองไปมันก็ยังต้องอาศัยภาษีเอาความของประชาชนแต่งเสบียงอาหารพรมีทางมีแนวทางขึ้นหวังเป็นอย่างนั้นเป็นแบบถ้าเราขอทางขอทานแบบพระไปเลย เป็นแบบท่าโลกท่านอาสาตาคนแบบกะเหยผ่านเป็นแบบราบรื่นในงานแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยินเย็นจากไปไม่ให้ในสิ่งจําเป็นเนี่ยตามกติกาคืออาการของประเทศชาติด้านนานเขาจะให้ด้วยความจําเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดําเนินตามความประสงค์ของเขามีรับพูดถึงเรื่องโลภโลภหญิง ได้เป็นปึกแผนแนะนํามันคนเพราะความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันความดําเนินในปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับอื่นเป็นรากฐานอันสําคัญแห่งความภูมิปัญญาโดยทั่วกันมีระเบียบพลังการศึกษาทั้งนั้นก็คือหลักคําหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่วมใจเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นภาคภูมิ มันมีอะไรขึ้นละแต่เวลาใครทะเลาะบ่แ้งจนถึงการแยกร้าวสนิทกันก็ก็ต่างคนต่างมีทิฏฐิสันนยตามีความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยให้คิดให้เพียรให้เจตนานอกจากความรู้ท้องถึงการนั้นมันเป็นไปได้ในแม้เจตนาที่จะทำลายมีติทำถูกแต่นั้นไม่เห็นสำหรับนักบวชเรา ให้ดูเจ้าของสมัยทำวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แก่เพราะที่รักไม่มีมีที่แก่เกิดเผลออยู่กับหัวใจทั้งตัวจะทําอะไรไล่ไม่มีใครอยู่ก็เฝ้าคนหนึ่งขึ้นเป็นคนรู้เราว่ามีอกติยาอย่างไรภายในจิตใจถูกหรือผิดประการใดแล้วเราพยายามสังเกตสอดรู้ภายในจิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหวไปในทางให้ผิดธรรมถึงวินัยข้อใดไม่เพราะนั้น ทั้งเจตฝากรู้ตนเสมอและการอยู่ด้วยกันจะถือว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้น้อยสําคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินัยใครจะพูดออกมาแสดงทิฏฐิอะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองด้วยดันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นภาษิตอืมโลกิปถาคตไม่มีเรื่องชาติทั้งหลั่นนักมีแต่สาคยมุขพุทธคินรสเท่านั้นแหละ ธรรมดลเล่าแก่พระธรรมมีแล้วเป็นภักขยะบทของพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะสักชั้นไหนมาซึ่งเป็นเรื่องของโลกนั้นก็มาแฝงอยู่พระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นแก่ก็เห็นนั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติทั้งมนัสให้กลับคืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมั่นมั่นต่อแดนพ้นทุกข์เพื่อการปฏิบัติปฏิบัติกําจัด สิ่งที่เป็นข้าสุดอยู่ภายในจิตใจทั้งต่อความโลภความโกรธความหลงราคะปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นเปี้ยนเป็นน้ำเป็นยาพิษถล่มจิตใจให้แดร้อนมีมากมีน้อยจ้างแสดงคิดถึงในเห็นอยู่ตลอดให้มีผู้ได้ที่จะรู้คิดถึงสิ่งเหล่าของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าองค์ทรงมีหมายแล้วสิ่งทุกอย่างบรรดาพริกพลังทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถทำลายล้างออกได้ด้วยความภาคเพียร <ม. S 2> ตนถ้าจิตมีความบริสุทธิ์นิมุตคณิถามแล้วจึงแนะนําธรรมนั้นมาสู่โลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขชาญล้างสิ่งประกอบตกท้องหม่นมันเป็นทุกข์ทั้งภพที่พึงนี้ที่สมได้รับแล้วมาประกาศต่อโลกทั้งปวงโดยตลอดทั่วถึงย้อนมาจนกระทําปัจจุบันเพราะฉะนั้นคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ําเสมอคงคงเทนคงมาอยู่ตลอดมา ต้องการประกาศถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดําเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนมาแล้วโดยถูกต้องทุกเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามว่ามีใครที่จะมีอํานาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี้แหละเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเปิดสู่พระไตรปิฎกเพราะสูตรเพราะวิญญาณพระกัลมาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมา เป็นอย่างแจ้งแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่ล่ะเตือนธรรมเตือนสิ่งสําคัญกาลเวลาสถานที่ไม่มีอํานาจที่จะมาขัดขวางมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุทัยยตะแสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขสัตย์ 2 ประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องขัดขวางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเบิกผู้เบิกก็จะทําทั้ง 2 อันเป็นสาย ปกปิดกำบังนี้จึงต้องบุกเบิกด้วยมัชฌิมาปฏิปทาได้แต่สมาธิสัมมาสังคโปเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องเดินทางสมัยที่จะกำจัดปัดเป่าหรือเบิกบุกเบิกทางที่ตีตันอันตู้ไปด้วยสิเลทัฆาเพื่อว่าความมืดมัวประการนี้ให้เปิดออกอย่างสล่างสลวยกระจายแย้งพลังจิตใจถึงนิพพุตหลุดพ้นไปได้ด้วยอานาปานสตินาปฏิปทานี่แหละอํานาจ <c oughs> <c oughs> อติมรรคปฏิปทานี้แหละเป็นผู้ทรงอํานาจมากที่สุดที่จะกําจัดกิเลสทุกประเภททั้งมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดท่านเหนืออํานาจมาที่มาปฏิปทานี้ไปได้เลยขอให้ทําความเข้าใจตรงนี้อย่าไปสําคัญว่าไหนว่าสถานที่โน่นพระพุทธเจ้าศาสลทุกสาวกทั้งหลายถึงศาสลอยู่สถานที่โน่นตั้งแต่ข้างโน่นข้างนั้นทางนี้ไม่มีละมรรคนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจจิตและเป็นเครื่องสนับสนุนกิเลส และเป็นเครื่องกระทากความสั่งช้าเลยตามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นขึ้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการอยากทำทำลายตนและทำให้คนอื่นพูดจริงๆความห่วงห่วงขาวดักบาปัญญาให้หลงเชื่อตามผิดซึ่งเป็นความที่หาอย่างมากมายไม่มีประมานเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือทานทิฏฐิธรรมะและธรรมะปฏิปัตโนปฏิบัติสมควรทำสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของพระตถาคต และคือว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าสัมปทาสมด้วยในตัวสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เรียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ให้เคลื่อนคลาดไม่ว่าสิกาบทวินัยน้อยใหญ่ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จัดให้ภาพแล้วทรงมั่นหากไปแล้วให้เคารพดำเนินตามนั้นอย่าข้ามอย่าเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายสถาพณ์ ซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แจกหลักธรรมหลักนี้น่ะอุโสปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมรรคต่อผลไม่มีโยกามิย์ใดๆมามีอย่างหน้าเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมรรคต่อผลก็ยิบผ่านเมื่อการพุทธปฏิบัติดีชอบเนี่ยวิญญาณญาณปฏิปันโนปฏิบัติเจตครรมนี้ขึ้นโดยถัดเดียวไม่ปฏิบัติเจตครรมลุ่มหลงงมงาย บางที่นี้ในเวลาท่านเราท่านปฏิบัตินุ่มเหลนนี้ในการจะเริ่มปฏิบัติเพื่อโลกามิไปเสียนั้นจะมีการบวชในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระขจัดกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารมาที่อีกก็มีเยอะนะนี่นี่มันไม่ใช่ญาณยะปฏิบันนุมไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความมุ่งหยิ่งอย่างจริงแต่กลับการจะปฏิบัติเพื่อความรุ่งเรืองมากให้เขาได้ถูกญาณธรรมทางกุศลธรรมนั้นด้วยทั้งศาสนาดั้งเดิมของมนุษย์ก็ ผู้เคล้าค้ำจุนถ้าอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทําให้ดังเพราะเลี้ยงชีพอาหารด้วยสามิจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าคุณยัสติตังโลกัสสสุดท้ายและผลที่จะคุณได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้ <c oughs> สุปติภณอุทุญญาณะสามิกิณีคืออะไรในดำจะตายปุริสสอุปญาณิอัปปริสสบุคคละเป็นคู่แห่งมโน 4 เมื่อกล่าวถึงว่าคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรม 4 ก็ได้อ่าเป็นบุคคล 8 พระโสดาปัตติมรรคผลอรรคบุคคลเป็นคู่หนึ่งมีกล่าวถึงนักเป็นคู่แห่งธรรม 4 เป็นเอกเทศ ทำ 8 โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสัก 4 ทางนับทั้งอริยสัจ 4 ทุกข์อริยสัจ 4 เป็นคู่ๆ4 คู่เป็น 8 ที่ท่านว่าคู่ทั้งหมด 4 เราอยากเข้าใจว่า 4 คนมาบรรลุธรรมนะอืมนั่นจึงเข้าเข้าใจบุคคลเป็นนับเป็นบุคคล 8 นั้นหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติคู่นั้นแหละจะได้รับทั้งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสมบัติของผลด้วยอืม สักขิตาสามารถสักขิตาครับผลอนาคามัคคนาคคผลอรหัตตมรรคราผลเป็นของตนด้วยนะมันยากเป็นแยกก็ดังที่บางพญามันเอสภิกษุกับโตสาวกกับสงฆ์นั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าอังนโยปานนโยทักขิณโยนั้นเป็นผู้ควรแต่ทักขิณทานเป็นผู้ควรแก่ถึงต้องรับทุกเป็นตัวอย่าง <c oughs> คือคุณที่ว่าพยาธาเครื่องทรัพละบูชาของประชาชนก็จะนํามามากมายน้อยไม่นอกหนึ่งเนาะหรือไม่มีคุณค่าเกินทําแบบนี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีอย่างนี้ใครได้เลยสามารถรับทัศนะทางให้เขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ภารโลกคการได้โดยสมบูรณ์นะเอสังโฆโตสาลคะสังโฆท่านเหล่านี้แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมา มีผลจะบุญได้รับอย่างในผู้ปฏิบัติคนคนเดียวนั่นแหละมีทั้งธรรมคู่ 4 คู่มีทั้งธรรมเอกเทศเป็น 8 คนนั้นจะบุญได้รับคนเดียวไม่ใช่จะไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งอรรถบริสะบุคคลเป็นคู่แห่งบุรุษ 4 คู่แห่งธรรม 4 เป็นความเหมาะสมอย่างนี้และเป็นประเภทแห่งธรรมแตก น่ะเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าอ่าอู่หงศัพท์ดี 4 ก็ได้อืมคู่แห่งบุรุษ 4 ก็ได้แล้วเมื่อเป็นเอกเกคเช่นแล้วคู่แห่งบุคคลเป็นเป็นทั้งบุคคล 8 ก็ได้คือบุคคลนั้นทั้งกลางทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศ มีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายได้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยมากขอสามารถของต่อยังมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันหลักกิเลสท้าทายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสนะคะตัณหาท้าทายอยู่ในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้ฉะนั้นขอให้พลิก ถ้าติปัญญาศรัทธากำแรงขึ้นมาให้เด่นโดยลำดับนั้นดอกด้วยความศึกษาพยายามเผื่อมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กำลังสมมเวลานี้ด้วยเป็นสปกตทั้งหลายถ้าไผทอดทูลแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดท่องไผจากความสงสัยสู่บริสุทธิ์เมื่อเจตเลศอาสวะอาหุญแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นทีนี้รู้ธรรมจะรู้ที่นี่ กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รบกุมลังมันมีอยู่ที่ไหนความเกลียดโกรธจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราศสถานที่ที่รบกุมลังครับตัดต้นไม้ดายาแล้วความเกลียดโกรธจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รบกุมลังนั่นแหละมีกิเลสเป็นเครื่องรบกุมลังฝังอยู่ในภนาจิตใจให้พยายามขัดฐานด้วยถึงด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลสถูกภาวทุกข์ทางถูกเผาด้วยตปะธรรมลงไปโดยหลันดานจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่ง อันปกติก็ปรากฏขึ้นฐานภายในใจความโล่งอึดกิจท่านสมมุติเนี่ยนั่นแหละทางที่มันผ่านท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาติมันจะให้ชื่อมาชื่อมาสําคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้สึกเต็มที่พอใจเต็มที่เหมาะสมอย่างนี้ไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในธรรมชาติคือก็ไม่สมอย่างนั้นเลยแท้อ่ะก็ดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดําเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจน เห็นท่านทั้งองค์ที่ควรจะเป็นมัชฌิมาโดยลักษณะใกล้แต่ใกล้ที่บริสุทธิ์เองถึงแล้วรู้เองแม้เขาจะเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ให้คูณถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับฟังนักธรรมดวงบงกันร่วมบงว่าอยู่กี่คนก็ถามความอื่นจะไม่ต้องถามกันเลยความเพศความเพศอะไรต่างคนต่างมีนี้ชื่อภาษาทราบด้วยกันทุกคนความเป็นระดับขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จําเป็นต้องถามกัน ตรงอ้างถึงความอิ่มหนำทั้งหลายความเป็นพอแต่ภักขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากกาลเวลาซึ่งเป็นของประดับพรรณธาตุขันธ์และจิตใจของของแต่ละคนละคนแต่โดยก็บุญเองไม่ต้องกระทํากันมีหลักธรรมก็เป็นเพียงนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกตนเห็นเองปะตะตัญญวิธัมโมวิญโญคําผู้ทั้งหลายรู้จําเพราะตนเมื่อรู้จําเพราะตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือนกันกับต่างคนต่างอื่นเหมือนกัน ถามกันหาประเด็นอะไรภาวนาเหมือนกันนะมีเองที่มีอะไรที่พระแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ว่าถ้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วยังครับบรรลุผลแล้วยังด้วยความบรรลุผลครับองค์เป็นอย่างไรมีความบรรลุของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามได้สมัยมันมีความด้วยประการเช่นนี้รับทุกข์ที่เราไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสําคัญตอนสุดท้ายกาแดงพอไปถึงใต้ฝูงพระสัพพดีนั้น <c oughs> เวลานั้นฝนมันตกนะเลยไม่กล้าขึ้นไปบนฐานท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนั่นขึ้นเสาอยู่สังเกตดูน้ําฝนตกมาหยดๆไหลลงมาจากทายาลงมากระทบน้ําข้างล่างข้างพื้นนี่ก็ตั้งเป็นตาต่ําขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ําข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ปรากฏเป็นฟองเป็น ดับขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเคียงกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วประดับอาการก็ดับนี้พานรับผสมกันชั่วขณะขณะแล้วดับไปดับไปเทียบเคียงกับผลภายในนี้บรรลุธรรมที่ในขณะนั้นพอผลตกอยู่ทั้งท่านเดินกับผู้ติไม่ได้คุยถามอะไรใดไหนดูดิทั้งท่านที่ก่อนจะไปคุยถามปัญหานี้อยู่แล้วเนี่ยอาศัยผลนั้นน่ะเป็นอาจารย์เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไป นำเข้ามาเปรียบเทียงกันได้กับสังขารมันทําที่มันคิดมันก่อมีอวิชชาเป็นพวกขับดันออกมาพอรู้ได้ตัดได้ส่วนแล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องทนถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความไม่สุขนั้นเป็นเหมือนกันกับพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับความอื่นนั้นเป็นเหมือนกัน จึงไม่จําเป็นต้องถามกันว่าใครหญิงมีลักษณะอย่างไรก็มีผู้ใครมีลักษณะเช่นไรก็เหมือนผมมีลักษณะเช่นนี้ความหญิงของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จําเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความมุ่งตัวเองความเชื่อตัวเองความในหลายตัวนี่เรื่องทําก็เป็นอย่างนั้นอันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกต้องแม่นยําในพระศาสนาธรรมนี่หาไม่ได้โลกนี้มันเห็นเราก็ปฏิบัติมานาน เรียนก็เรียนมาหลายปีพอไม่สิ้นสงสัยเรียนจน 7 ปีเรียนหนังสือทางด้านปริญญามันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นอืมธรรมะจะเอาจริงเอาจังคือหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเป็นใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสัยเอ๊ะมรรคผลนิพพานมันมีอยู่หรือไม่นะถ้าว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจง ถ้าเราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบว่าผู้นั้นดั่งถึงใจทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชาพระผลนิพพานนั้นเพียงทีเดียวตายติดส่งไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่ก่อตรงถึงท่านอาจารย์น่านติดปั๊กติดปั๊กเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้ว มาท่านอาจารย์มั่นนี้เป็นพระอริยบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดาอีกทั้งฝ่ายคณะวาศที่เคยใกล้ชิดกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทํานองเดียวกันว่าท่านท่านพระอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลนะที่พวกเราพุ่งไปถึงท่านอรหันต์ท่านอรหันต์ท่านนะนะให้จนเบิ่งถึงท่านพอไปถึงท่าน ท่านพี่จะยังอะไรออกมาเหมือนกระพอกออกมาจากดวงใจเหมือนวันนี้น่ะนี่งานเนี่ยพระกนิลพาลหาไปไหนงมไปไหนทําไปไหนเออดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นน่ะค่ะอือฟ้าแดดดินลมเป็นถึงนั้นถึงนั้นไม่ใช่พระกนิลพาลนี่พระกนิลพาลอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกําลังรุมอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นนี่น่ะนี่น่ะเหมือนอย่างนั้นจิตมันก็ถึง ตายทีเดียวทํามาท่านถึงตายถึงต๋นตายกาท่านถึงตายทีนี้หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นมันว่าหายสงสัยแน่เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นถ้าตัดใจก็ตามเอาเถอะทีนี้ว่างั้นตายเป็นบาดขอให้ได้ส่งไปสู่มรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจึงเอาจังตั้งแต่บัดนั้น อืมพระท่านจึงเรียกว่าตรุมพรเราออกปฏิบัติเราเอาจึงเอาจังเป็นตรุมพรเลยไม่มีเวลารับความผดพรบสบายเลยตั้งแต่วันเดิมออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกข์กับเหตุอืมด้วยวิธีการต่างๆผลทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังไงจนกระทั่งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับลําดับลําดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็กําเนินทางด้านปัญญา จึงมีความประจัญแจ้งขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเห็นคุณค่าของปัญญาว่าตามมากที่จะก่อถอนเสร็จได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความก็ยิ่งความรู้สึกภายานก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมตจักรเลยหมุนติ้วๆติ้วทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งทะลุเกลกอยวางได้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เอายังเหลืออะไร เมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอันต่างสุขคตาเรื่องอรูปลักษณะก็เต็มใจเหมือนสมมุติว่าถึงใจเรื่องรัตฐาก็ขังก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้ฉะนั้นก็พิจารณาในเรื่องบุคคลานี่คือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะอืม มันมันยังไม่ปล่อยความกุญเหมือนกับรับทานไม่ได้ก็อยู่กับทานไม่ได้ถ้ารับทานไปทางอื่นแล้วจะบอกตัวเองอยู่เองอาหารจะมีความไม่ได้อร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันธ์พอแล้วไม่ไม่ไม่ยอมรับนี่อันนี้ติดไว้พิจารณาเรื่องรูปตะขันธ์เป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเพียงได้ทุกภาคทุกส่วนแล้วฉลาดปัดทิ้งทั้งทั้งนี่เรียกว่าส่วนรูปกายรับได้อย่างเด็ดขาดนู่นกับๆ เป็นเวทนาสัญญาสังขารนิยามที่มันเกี่ยวทั้งทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอย่างนี้ก็พิจารณาถึงเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของจิตเจตมีความต้องการจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาก็เป็นปัจจธรรมทุกขเวทนาก็เป็นปัจจธรรมไม่ไม่เอาแต่ว่าทุกข์เป็นปัจจธรรมมันจะมีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดเด้อสุขก็เป็นปัจจธรรมได้ขึ้นมาอันนี้ในตําราท่านมีเรื่องนี้ก็ไม่ทราบนะท่านมีจะยินแต่ว่าทุกขังอนิจจัง ฟังแล้วนะแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติจริงๆเห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเบียดหน่ายเบื่อที่สุดกลัวที่สุดทุกขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งพอหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นปฏธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันนะนะสําคัญแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอก ทั้งความตามทั้งปกทั้งทุกข์เวลาที่มีความสงสัยถ้าไหนมีความสุขมันก็รู้ว่านี่สุขความสุขอันนี้เป็นสุขเกิดธนาสุขเกิดธนานี้ก็เป็นอัตตภาพไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่สนิทกับตัวนี้แยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงๆเลยแล้วอย่างเราก็กระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอุปภานันติ เมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศธาตุทั้งหมดถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมีอยู่ 3 ขั้นของการปฏิบัติ <c oughs> the 1 ว่างนี้เวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์ทั้งยาอะไรทั้งแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างต่อจากนั้นเค้าเรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างมีขั้นที่ 2 พิจารณาร่างกายจนหมดไม่มีอะไรเหลือปล่อยว่างทั้งข้างในและข้างภายได้ด้วย ญาณทิฏฐิก็ว่างนะเพราะเวทนาปัญญาสังขารยังยังมีอยู่ก็ยังติดกันอยู่พิจารณาเวทนาปัญญาสังขารัญญานจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของวิชาอยู่ทุกที่โรงนั้นจนว่าท่านอวิชชากระจายออกเบื้องมากของสติปัญญาที่ธรรมสมัยได้แก่สติปัญญาสมมัติหรือมหันตปัญญาจุดแห่งอวิชชากระจายหมดเมื่อมีเราเดี๋ยวแล้วนั่นจึงว่างแท้ไม่ว่าว่างโดยประการทั้งปวง วางทั้งจิตด้วยวางทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยวางทั้งจิตด้วยไม่ยึดมั่นวางทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยเรียกว่าปล่อยวางทั้งภายนอกปล่อยวางทั้งจิตรู้ตามเป็นจริงทุกทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อันบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือมัชฌิมาโดยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดําเนินเข้าไปถึงโดยเป็นทางสายกลางเหมาะสมกับการรู้แจ้งถึงจริง สรรพตานตะลุจญ์อย่างจริงในธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมรรคที่มากโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมรรคธรรมชาติโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องธาระธุระอะไรจิตน้อยหรือจิตใหญ่ที่เกี่ยวขลุเรื่องกับกิเลสนี้เรียกว่าหมดถ้าเป็นฐานะภัทนะชั้นเอกเรียกว่าเอกัญจักรเชมัตตนังสเรธานามัจจุตโมกข์ผู้ฐานะตนคือกิเลสของตนทุกประเภทกิเลสทุกประเภทของตน มาโดดเด็ดค่ะแล้วคนนั้นแลเป็นผู้ประเสริฐความทะนะนั้นแลเป็นความทะนะอันประเสริฐนะในเบื้องต้นทั้งละโยมตาตั้งใจนักทั้งฆาเมมานุเทศิเมการทะนะคนอื่นจักคูณด้วยล้านก็ตามการทะนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกาลกรรมไม่มีที่ซึ่งอ่ะตนว่าอย่างนั้นตะเอกังจาเทมะสมานังเตสังฆามิตโมผู้ใดที่มาทะนะกิเลสของตนภายใน เพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะภูคามทั้งหลายเหล่านั้นนะนี่มีการจบการสิ้นหน้างานของศาสนามีการจบสิ้นอยู่หน้าไม่เหมือนไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี้ทําจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจําเป็นก็ต้องอายไปซะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้กับเฉพาะเวลาตามันมีที่สุดมหาปางที่ไหน งานงานของศาสนางานแก้กิเลสนี้มีทางที่ที่สุดจุดหมายปรารถนาได้เช่นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเมื่อถึงสุดจุดที่หมายปรารถนาแล้วท่านก็อยู่สบายวุฒิทางปรมัตถ์ยังเมื่อถึงแต่การทรงฤทธิ์พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วก็ตั้งกาลามิยังการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญศึกษาให้มีระดับสูงและโดยลำดับก็ได้เส้นสุดไปแล้วนาปลังอุตตราอีกต่างๆอย่างอื่นและอย่างอื่นที่ถ้ายิ่งกว่านี้อีกไม่มีนักกิจานิพพานภพบัดนี้ความเป็นอีก ทุกข์การเกิดอีตายอีตายทั้งทั้งสักๆพระเมียอะไรเพื่อนฆาติพุณัคพุนางทุกข์ฆาติพุณัคพุนางการเกิดก็บอกก็คือการการการเกิดการตายบอกก็คือการทุกข์อยู่ไม่อยู่นั่นเองนี่ได้สิ่งสุดลงไปแล้วจากใจตรงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจิตตะวิมุตติหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนี้คือว่าผู้เส้นซึ่งเรื่องการงานของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ไปเถอะ ทุกเพื่อมรรคนิพพานทุกเพื่อทางปัดถอนตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนให้ท้อถอยเพื่อการต่อสู้เอาชัยชนะสําหรับตนเองเราจะไปท้อถอยได้ยังไงถ้าเราท้อถอยคุณจะเผยย่ําธรรมลายเหล่ายืนที่ไหนนอนอยู่ก็กิเลสบังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลสบังคับเกิดถ้าใครโกรธไม่มีแต่เป็นนักโกรธให้กิเลสบังคับบันดาล คือแต่เราเวลามันดีได้เหลือความเป็นนักโทษนั่นน่ะความเป็นอิสระนั่นต่างหากนั่นดีความที่แก้ลงไปขนหนามลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกดขี่บังคับเราจะแก้ด้วยวิธีใดอืมพระธิมาปฏิปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจและกิเลสเจ้าวัฏจักรนี้ถ้าทำลายทั้งหลายที่นำไปแล้วนั่นแหละเป็นอิสระที่นี่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษอยู่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษ อย stove in 마음 gesch papers มองร้อนก็ไม่ปฯริษ it up 식it มองร้อนก็ไม่กลją ไม่ก็เงินถึง 80% woah รู้เท่าท่านตาม ار LG like ไม่ผู้ส Biecy ไม่ยืดไม่ถือ stechn.. ถ้ามีวันที่นี้ อยู่ертв ถึงการ้อยอยู่อีก Cross ไม่ห่วงط ett script ไม่แล้วถึงการแฟไม่ proceed หรือก็อยู่ไม่ว่าเพราะเรียน Tin จบแล้ว Tombาляают หาต้ ไอ้ผมไม่ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องทานเรื่องขันธ์อันเป็นเรื่องของตนหมดวุ่นวายนี่แหละทางขอให้ทุกท่านนึงเราพิจารณาฝึกปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักธรรมจริงเที่ยวที่ปฏิบัติมาไม่ได้นํามาเมานํามาดลมาเดามาสั่งสมหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็เอาตายเพราะว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่ฝังเพื่อนแต่แล้วปรมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเป็นอย่างที่ว่านี่ท่านขอให้เห็นใจคือว่าสั่งสอนผู้ท่านทั้งหลายน่ะฟังสอนเรื่องความ เป็นความถึงออกถึงใจสั่งสอนเนื้อคําอเมริกาสง 3 สั่งสอนเนื้อคําสงเคราะห์อนุเคราะห์เหมือนอวัยวะอันเดียวกันจริงแล้วผู้ใดหนึ่งถ้าเปรียบดั่งลูกก็เหมือนลูกของผมพรรณนาท่านทั้งหลายที่มาอยู่นี้ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้งหลายก็ทั้งหลายเป็นเหมือนลูกเฒ่าพานพ่อแม่กับลูกทําไมจะไม่รักกันทําไมจะไม่จงรักภักดีต่อกันมีอย่างเหรอมียินเป็นสายธรรมอะไรเนี่ยยิ่งเป็นของละเอียดสุขุมมากขอให้นําธรรมะ ตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปฝึกปฏิบัติอ้าวตายก็ตายเถอะโลกเค้าตายทั้งนั้นแหละอืมเราตายโดยการปฏิบัติปฏิบัติกำจัดที่เด็ดปัญหาอ้าวตายก็ตายยิ่งมีคุณค่าตายในสงครามเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละอืมอะไรล่ะแสดงกันเท่านี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายเพิ่มเติมครับ